สิขาบทที่7ว่าด้วยการให้บีบนวดเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,206 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้ภิกษุณีให้บีบบ้าง น, นวดบ้างคนทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตามวิหารเห็นและตำหนิ ประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีจึงให้ภิกษุณีให้ใช้ให้บีบบ้างให้นวดบ้างเหมือนหญิงพรหัสผู้บริโภคการเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตําหนิพระนามโพนธนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีจึงใช้ภิกษุณีให้บีบบ้างให้นวดบ้างครั้นแล้ว